เธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วได้อย่างไรโมฆะบุรุษเรากล่าวธรรมที่ก่อนตรายว่าเป็นธรรมก่อนตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่อนตรายให้แก่ผู้ส่องเสพได้จริงไม่ใช่หรือเรากล่าวว่าการมทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในการมนี้มีโทษอย่างยิ่งเรากล่าวว่าการมทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูก เรากล่าวว่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อเรากล่าวว่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงย่าเรากล่าวว่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนลุ่มฐานเพลิงเรากล่าวว่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเรากล่าวว่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ยืมมาเรากล่าวว่าการทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้คาต้นเธอชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไว้ผิด ชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากโมฆะบุรุษข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกแก่เธอตลอดกาลนานโมฆะบุรุษการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยท่านทรงตำหนิแล้วจึงทรงแสดงธรรมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าอย่างนั้นสงจงนาสนะสมุนเทศชื่อกันตะกะภิกษุทั้งหลายสงพึงนาสนะสมุนเทศชื่อกันตะกะอย่างนี้ว่ากันตะกะตั้งแต่วันนี้เธอไม่พึงอ้างพระผู้มีพระภาคว่าเป็นศาสดาและเธอจะไม่มีการนอนร่วมกันสองถึงสคืนกับภิกษุทั้งหลายเหมือนสมุนเทศเหล่าอื่นได้เธอจงไปที่อื่นเธอจงไปให้พ้นดังนี้ ครั้งนั้นแลสงได้นาสนะสมุเทศชื่อกันตะกะแล้วสมัยนั้นพวกพิสูชาวปกักขีรู้อยู่ก็ยังปลอบโยนสมุทรเทศชื่อกันตะกะที่ถูกสงนาสนะอย่างนั้นแล้วบ้างใช้เธอให้อุปถากบ้างคบหาบ้างนอนร่วมบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพลธ น, นาว่จาจะไหนพวกพิสูชาวปกักขีรู้อยู่จึงปลอบโยนสมุทรเทศชื่อกันตะกะที่ถูกสงนาสนะแล้ว จึงปลอบโยนสมุนเทศชื่อกันตกะที่ถูกทรงนาสนะอย่างนั้นแล้วบ้างใช้เธอให้อุปถากบ้างคบหาบ้างนอนร่วมบ้างเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกพิสูุชาพบคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ